เพราะความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุวงปพุติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติตามโครงสร้างของมาสติปฐานในสูตรซึ่งจะนำท่านทั้งหลายไปทบทวนตั้งแต่ตอนต้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นปัญหาหลัก คือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยอัจยาิสัยของพระองค์เองที่เราเรียกว่าอัตชาสยาคือมีพระประสงค์จะแสดงก็เรียกพระภิกษุมาแล้วก็ส่งประลบถึงหัวข้อธรรมะเหล่านั้นแต่ว่าในมาสติปฐานสูตรนี้พอ ขยายออกไปพิสดารแล้วเนี่ยมันครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาพอทำองเดียวกับพวกธรรมจักรกวัตนสูตรหรือแม้พระสูตรเหล่าอื่นเนี่ยจะมีองค์ธรรมปรากฏอยู่เป็นนั้นมากและตอนสุดท้ายก็ไปสรุปรวมที่อริยสัจสีเหมือนกันเป็นธรรมะที่ ทรงแสดงแก่คนซึ่งมีวุตถิภาวะหรือว่าสานาบา ร, รมีค่อนข้างสูงประจากการสังเกตรพระสูตรในที่แสดงที่แคว้นกุลุเนี่ยก็เคยพบประมาณ 7-8 ปดสูตรแต่ละสูตรนี่ยากทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นการปฏิบัติระดับจิตสิกขากับปัญญาสิกขาคือไม่ค่อยไม่ค่อยพูดระดับศีล แต่ว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยคือพูดหรือไม่พูดเนี่ยก็เหมือนกับพูดเพราะถ้าเรามองถึงหลักการในกวการฟังธรรมะที่พระยะสาวกทั้งหลายเนี่ยดีท่านฟังเนี่ยเพราะถ้านั่งลงมันก็เป็นศีลเนี่ยสัมรวมระวังใจที่ตั้งใจจะฟังธรรมะในขณะนั้นกายของท่านก็สุดจริตวทาของด่านก็สุดจริต เขาท่านไม่ทําไม่พูดผิดอะไรจิตใจก็จดจ่ออยู่ที่ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าบ้างพระหานทั้งหลายแสดงบ้างก็ตรงนั้นก็กลายเป็นฐานก็คือเป็นศีลเพราะแต่เรามองธรรมะในแนวของพวกกลุ่มหล่อนี่เรียกวกลุ่มโพธิปการธรรมเนี่ยจะไม่มีการแสดงในเรื่องศีลเพือจะขึ้นไปสู่จิตสิกขากับปัญญาสิกขาเลย ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิธิบาทสีอินทรีห้าพระละห้าโพชฌงเจ็ดเนี่ยเพจะไม่พูดเรื่องสีแต่ก็มันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันสำนวนบาลีอาจจะเรียกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ปัญธรรมเทศนาตรงนี้ก็สุ่มเริ่มที่ข้อความแต่ว่าจะต้องเข้าใจนะว่า สูทธส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นคำว่าพิทเวะแปล ว, ว่าดูก่อนพุทธสูทั้งหลายถือว่าเรามองบรรยากาศในการฟังธรรมะว่าสมัยนั้นถ้าเราดูที่พุทธกิจนะฮะคือตอนเย็นเนี่ยทรงแสดงแร้วทำอเทศนาตอนเช้านี่ทรงเสด็จออกบิณฑบาต ตอนบ่ายก็ส่งตอนเย็นนะนะข้อไปทางเย็นก็ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวบ้านตอนหัวค่ํำทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุแต่จากการสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีชาวบ้านฟังร่วมกับพระภิกษุแต่ดูโครงสร้างในการนั่งเนี่ยพระตาตาธาจารย์ท่านเล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับตรงกลาง แล้ประสิทธิภาษาดิบุตรนั้นจะอยู่เบื้องปราหัตขวาของพระพุทธเจ้าพระมคลลาะก็จะอยู่ด้านประหัตถซ้ายตัวนั้นก็จะลดหลั่นลงไปตามลําดับพรรษากองพระที่ใครบุก่อนบทหลังก็นั่งเรียงกันไปอย่างนั้นก็แสดงว่าพระสงฆ์ก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าและนั้นเวลาปรับรบก็ปรับรบว่าภิกษุทั้งหลายแต่คําว่าภิกษุเนี่ย มันมีความหมายอยู่สองความหมายกับความหมายหนึ่งก็แปลว่าพูดเที่ยวไปเพื่อก้อนเข้าหรือเที่ยวบิดาบาดเนี่ยก็เป็นเพศที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าเริ่มแสดงธรรมเทศนาธรรมธรรมจัรรมจกกัตนาสูตรเป็นประตรเทศนาเนี่ยก็สงช้ยคำว่าตเวเมพิกเวก็ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางสองทางบุคคลไม่ควรเสก แสดงว่าท่านบรรดาคีก็เป็นนักสุนักบวชประเภทที่เรียกว่าเป็นภิกษุก็หมายความภิกษุก็มีอยู่ก่อนเพราะว่าเทวทูต ท, ทั้งสี่ที่พระโพธิสัตว์ได้เห็นในคราวสเสด็จประพาสอุทยานเนี่ยก็เรียกว่าสัมมณะก็หมายความว่าก็เป็นเพศของภิกษุพระวพนี้อาจจะเรียกว่าสั ม, มณะอาจจะเรียกว่าภิกษุอาจจะเรียกว่าบรรพชิตเป็นนักบวชที่ถ้าเชี่ยบ กลุ่มกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยเรียบร้อยกว่ากลุ่มเราเองแล้วก็มีพื้นฐานในทางจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะประณีตกว่าท่านเราอือดังนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันก็แสดงว่าคือบาลีนี้บอกเลยนะฮะว่ามีชาวกุรุเนี่ยมีในนมูชนของชาวกุรุ ก็แสดงว่ามีชาวบ้านเนี่ยก็ฟังอยู่ด้วยแล้วก็พระนั้นก็คงจากเฝ้าจากเฝ้าอยู่เป็นปกติเพรา ะ, ะนั้นคำว่าภิกษุในความหมายหนึ่งจึงหมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการที่ตนจะต้องเกิดแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดผลชื่อตรงนี้กล่าวโดยเนื้อหาสาระมันก็ต้องหมายถึงชาวบ้านด้วยชาวบ้านที่เห็นภัยในสังสารวัฏเนี่ย แต่ว่าพอเป็นธรรมะแล้วต้องจับประเด็นอย่างหนึ่งว่าพอเป็นธรรมะแล้วเป็นสากลคือไม่ได้เจาะจงคนมันไม่เหมือ น, นนะวินัยนะวินัยเนี่ยบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า น, น, น, นั่นก็เป็นภิกษุนั้นกะ็เป็นภิกษุณีนะภิกษุณีกับภิกษุก็ซ้ํากันทั้งเยอะแล้วอุบาสกบาสิกาก็ไมีวินยัยส่วนตัวของเขาก็ศีลแต่ทั้งหมดเนี่ยศีลหลักเนี่ยจะซ้ํากันทั้งหมดเพราะศีลที่ศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีเนี่ย มันก็ไปซ้ํากับศีลของพระแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเป็นศีลเฉพาะของพระหรือแม้แต่ศีลข้อวิกาลโภชนาเป็นต้นไปเนี่ยเราลองสังเกตว่ามันก็ไม่ซ้ํากับศีลห้าก็แสดงว่าเป็นศีลเฉพาะเจาะจงกลุ่มของคนที่เป็นอุบาสกบาสิกาแต่ว่าศีลห้านั้นเป็นศีลทั่ทั่วไปของพุทธบริษัททั่วทั่วไปคือจะเป็นใครก็ได้แล้วที่จริงมันก็มีอยู่ทุกศาสนา ก็รับสั่งว่าพิสูจทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกคือเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นที่ไปในที่แห่งเดียวอย่างนี้เคยยกตัวอย่างว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั่นถ้าเราเทียบเคียงกับเรื่องอื่นเช่นสมมติว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยเป็นกรรม ความรู้หนังสือก็เป็นผลของกรรมเราก็เป็นเจ้าของความรู้เหล่านั้นก็แสดงว่าเราก็เป็นกรรมเป็นของของตนรับประทานอาหารเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมใครกิน่านั้นก็อิ่ื่อนไปแทนกันไม่ได้ธรรมปฏิบัติจึงเป็นสูตรตามโครงสร้างของพระธรรมคุณเอปสิโกโอปนายโกโปจตังวิริยตมโยหิยนี้หมายความว่า คนก็ต้องศึกษาคนา้นคว้าสำเนียกเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติโดยตนเองเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเป็นผลภายในใจของบุคคลเรานั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสิกขาถึงกับหมายความว่าเป็นการฝึกปือในเรื่องของจิตใจแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงเป็นรูปเป้าประสงค์เอาไว้ คือหก็เพื่อความหมดจดพิเศษของสัตว์ทั้งหลายลการจะ บ, บริสุทธิ์หมดจดจริงๆเนี่ยมันต้องหมดกิเลสเ น, นะแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ลดหลั่นกันขึ้นไปถ้าจะเรียงความบริสุทธิ์หมดจุดอย่างในใจสิกขาก็เรียงเป็นสามระดับและบางทีก็เรียงได้ถึงเจ็ดระดับอย่างในวิสุทธิ์ที่ตั้งเจ็ดประการเนี่ยความบริสุทธิ์เจดระดับ อัก็เรียงเป็นศีลวิสุทธ์ความบริสุทธิ์หมดจดขังศีลคือชั้นศีลชั้นศีลก็เป็นความสํารวมระวังระดับกายกับระดับวาจาสําหรับชาวบ้านผู้ไปเนี่ยขอระดับกายกับวาจาเท่านั้นแต่พระนี่ต้องเข้าถึงใจด้วยนะฮศีลเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางเรื่องเช่นสมมติว่าไปมองเพศจงกันข้ามด้วยจิตกําหนัดเนี่ยมองแล้วก็จิตกำหนัดเนี่ย มันเกิดทางกายกับจิตก็เป็นเหตุให้ต้องอบัตแล้วการปราบอับบัตทุกกฎหรือมองทรัพย์สินเงินทองของบุคคลดื่นด้วยความเพ่งเด็งโลภอยากได้มันก็มีกายกับจิตเขาปราบอับบัตแต่ว่าชาวบ้านไม่ถึงขนาดนั้นน่คือไม่ปราบกันขนาดนั้นเพราะจริงๆ้็หมดมันเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ทางระดับศีลระดับสมาธิก็เรียกว่าจิตวิสุทธ คือความบริสุทธิ์หมดจดระดับจิตใจในชัานนี้ก็เอาเพียงแต่ว่าทายังไงกิเลสอย่ากุ้มรุมใจมากเกินไปหมายความว่าสามารถบรรเทานิวอนทั้งห้าลงไปได้โดยหลักการบิบัติจริงๆนิวอนมันหมดไม่ได้ง่ายหรอกแต่เพียงบรรเทาลงไป เพราะว่านิวรณ์แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ไม่จะเรื่องง่ายนะฮะคือถ้าจะไปตัดเขาให้ขาดเนี่ยถือว่าการมาฉันทะจิตเหนียวนึกจึกนึกถึงเรื่องทางเพศหรือวัตถุที่เราใคร่แต้ตามปกติแล้วอย่างบมืก่อนก็มีพระใหม่ก็ถามว่าทำไมพูดถึงโรคปวดหลงทำไมพูดถึงราคะาโทสะโมหะก็เลยก็ต้องหยุดอธิบาย ถ้เธอเข้าใจว่าที่จริงพูดเรื่องเดียวกันนะะเพียงแต่ว่าราคามันเน้นไปเรื่องเพศมากกว่าเรื่องวัตถุสิ่งของแต่ก็มีวัตถุสิ่งของอยู่ด้วยนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นคำสอนซึ่งเน้นไปที่พระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขะมนาเนี่ยเกิดจะใช้ในแนวของราคาเพราะว่าทะลุอานาจกลราคะแล้วเนี่ยจบกันเลยนะฮะ เจ็ดว่าเป็นภิกษุก็ขาดจากพระไปเลยเป็นภิกษุณีก็ขาดจากภิกษุณีไปเลยเพราะฉันไม่จะเน้นในเรื่องราคาในมากแต่ราคาก็ที่จริงก็คือโลภนะก็ อ, อยากได้ก็ครอบครองเพื่อเพลินชื่นชมยินดีนะในบุคคลเหล่านั้นในวัตถุในบุคคลเหล่านั้นเรียงไปเน้นไปในตัวคนมากกว่าเน้นไปทางวัตถุทั้นั้นเองส่วนโลภานั้นก็ที่จริงก็หมายรวม เพียงแต่ว่าจะเน้นไปในรู ป, ปรวัตถุคือพวกวัตถุการมทั้งหลายทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งเย็นร้อนนอนแข็งนะก็เหมือนกันก็สรุปว่าเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าสามารถสงบความคิดในลักษณะเหนียวนึกจึกนึกผ่อยวาปราถนาเพื่อได้เพื่อนี้เพื่อเป็นเพื่อครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของพวกวัตถุการมทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นการสงบกิเลสประเภท นิวรแต่ว่านิวรข้อแรกนะฮนิวรข้อที่สองคือความพยาบามคือสงบความอาฆาตพยาบามซึ่งอาจจะเหนียวนึกถึงนึกขึ้นมาเองหรือว่าใครทําให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่อาการพยาบามนี่ที่จริงเป็นอาการของความโทสะที่มันตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็กลายเป็นอาฆาตคิดจองเวรคิดแก้แค้นคิดโต้อตอบคิดทําลายล้างทั้งหลายเนะ เวลาทรงจำแนงแสดงในสทงจำแนงแสดงไว้ถึงเก้าประเภทด้วยกันเป็นเรื่องของความคิดที่สายไปสู่อดีตเอาของเก่ามาเนียวนึกมาตึกนึกทําให้จิตใจของตัวเองเดือดร้อนเปล่าๆเห็นว่าไปคิดว่าคนคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราเคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสู่เราเรื่องมันแล้วไปแล้ว่นะฮะที่จริงก็ไม่ยอมให้แล้วไปแล้ว ก็นํามาเสียหเหนียวนึกจึกนึกด้วยความอาฆาตแค้นต้องการจะโ ต, ต้ตอบบางทีก็สายไปสู่อนาคตกว่าต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรามันก็เกิดอาฆาตพยาบาทล่วงหน้าไปได้นะเขาจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้เราก็อาฆาตพยาบาทเท่านั้นเรื่อวบางครั้งก็กําหนดทาชีในปัจจุบัน คนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทำทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์สู่เราแล้วก็เกิดอาการปยาบาทขึ้นเพราะการส ง, งบความอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตสิกขาแต่ยังไม่หมดนะครมันต้องไปส ง, งบพวกขีนมิทะความง่วงเหงาหางนอนซึ่งซึ่งห ง, งายเหงาหดหูเครื่อนเครื่อนจุดชื้นชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยเสียงหมดอะไรตายอยากเป็นต้นเนี่ย ซึ่งเป็นอาการเหมือนคนที่ตกเป็นทาสของบุคคลอื่นมีทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรนะว่ามันเหมือนกับก า, กามาชันนี่มันเหมือนกับคนตกเป็นหนี้ของบุคคลอื่นพยาบาทในเหมือนกับคนที่ถูกโรคภัยค่าเจ็บป่วยเปียนที่น้ำมิทะง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมดังกล่าวในเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของบุคคลอื่นและอุทจักขุกุจจะคือฟุ้งซ่านจนถึงกร็ลาคาญจนถึงก็หมุดห ง, งิด นะเหมือนกับคนที่ติดคุกนะฮะก็ อ, อยู่ในคุกก็จินตนาการไปร้อยสีพันอย่างและผลสุดท้ายก็อยู่ในคุกนั่นแหละก็ไปไหนไม่ได้จนถึงวิจิกริชาคือความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ระดับจิตจก็เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงไปที่ ตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานไปนเรื่อยไปนะะคือเอากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นครูในการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าตัณหามานะทิฐิมันเกิดที่นี้แหละมันเกิดที่กายของเราคือตัวตนของเราแล้วมันเกิดมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น mm. คื อ, อยังนิ่งนึกเมื่อก่อนก็นั่งกันหลายรูปกรรมการวัดเขานั่กันไปคือจะ ซ่อมแซมพระพราของสมเด็จพระสีสุริเยนแล้วก็ประรกันหลายเรื่องนะมาก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรฮนะเพราะว่าเรามองดูข้างหน้านี่สมมติว่าเราอยู่ถึงสิบสองปีเราก็แปดสิบแล้วนะฮะไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วเหลืออะไรก็ควรจะเฉลี่ยกระจายไปให้ช่วยกันรับผิดชอบตัวดีก็มีทันยกุลในกองหนึ่งนั่น ท่าบอกว่าท่านเองมีเจดปีแต่นั่นเองนะจากก็แปดสิบแล้วก็เนี่คือเราจะเห็นว่ามันที่เป็นที่ตั้งของตัณหามาณทิพจิจิแต่ี่จริงมันเริ่มกันอีกรูปหนึ่งนี่ก็เริ่มกันมาก่อ น, นก็บอกว่าใหญ่โตอย่างไรก็ไม่เกินโลงนะคื อ, อยังนี้กว่าเออมันก็ปลารคธรรมะกันมั่งก็ดีงั้นคิดถึงใเรื่องเหล่าเนนะี้ยอัตตาตัวตนของเรามัานก็เราก็ไม่แน่จริงหรอกเราก็แพ้โลงทุกที มันเกิดมานะนะเกิดมาทาั้งๆที่ร่างกายเนี่ยมันเอาก็าจริงมันไม่ใช่ของเราอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนทั้งหลายมาบนเพอมีลักษณะนบนเพอทรัพย์ของเราเลือกสวนไดน้นะของเราญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราบุตรปัญญาของเราเอาก็าจริงนตัวเรายังไม่เป็นเราสิ่ ง, งนั้นจะเป็นของเราได้ยังไง แต่ว่าปัญหามานาทีเดียวเขาเกิดขึ้นจากไอกองของดินน้ำลมไฟอากาศตัว น, นี้แล้วก็จำเป็นจะต้องศึกษาในแนวที่ลึกลงไปในแนวของเรียกว่วิปัสสนาจึงต้องใช้ปัญญาในการคิดในการมองในการตรวจสอบแล น, นก็คือเพื่อความริสุขไปเรื่อยๆนะฮะทรงแสดงไปเรื่อย อย่างที้เคยบอกว่าโครงสร้างหลักเนี่ยเวลาท่านสรุปเนี่ยคือพิจารณากายเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่ากายหยาดอมปัสสนามันก็เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือแต่เห็นขนาดนั้นก็เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาถต่ชัดเจน เ, เนี่ยคือกิเลสมันสงบมันนอกกัจริงมันไม่มีอะไรเป็นเรา มกักกษัตริตว่าท่ที่มาเกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองสมมติปัญญาต์ก็ว่ากันในด้านสมมติปัญญาต์ปรามาัดก็ว่าในด้านของปรามาัดเพราะฉนัตตานางวิสุทธิยาจริงๆเนี่ยเพื่อความมิสุดหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายจริงๆเนี่ยมันจึงต้องเป็นพระอาหารหันต์จึงจะบริสุทธิ์ได้จริงนะฮะแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ลดหลั่นกันลงไปเรายกตัวอย่างอย่า ง, าางพระอริยบุคคลเราอานิวรณ์ทั้งห้าเป็นเกณฑ์นนะฮะ เราเห็นว่ากิเลสประเภทกรรมฉันเนี่ยต้องมือระดับพระอนาคามีจึงสงบได้ปยาบาดก็เหมือนกันนะแต่กิเลสประเภทโทสะแต่ว่าปยาบาดแรงไาหน่อยพระอนาคามีสงบในตอนนั้นเขาเรียกสังโยชน์เขาเรีปฏิฆะสังโยชน์แต่ีนี้มิท่านนี่มันต้องเป็นพระาอารหันต์นะมันเกี่ยวเนื่องกับกายมันเกี่ยวเนื่องกับกายของเราพุทธจาะเนี่ย รูตจ่าก็ต้องเป็นประรหารนะกุกุจ่ามันสงบไปตั้งแต่พระนาครมดูวิจิกริษะิจิกริษะนี่ประสูตบันทันทันสงบได้กระทันเอาชนะได้ก็หมายความว่านั้นกเกิดความบริสุทธิ์ไปตามลําดับํามนองคล้ายๆกับเราถูพื้นเนี่ยมันก็สะอาดไปตามลำดับมันเป็นอาการของการขัดเกลาอาการทางกายทางวิชาทางใจของบุคคลแล้วก็ โ, โกศกะเปเรวันังสมาติกมายะเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ไรราไรพวกนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัณหาจากมานะจากทิฏฐินะฮะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่มันจากตัณหาแดี๋วาการที่มีตัณหาก็แสดงว่าต้องมีมานะต้องมีทิฏฐิเราจะเห็นว่าเรารู้สึกเราพลาดพลาดเราสูญเสียเราไม่ได้เราไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ จึงเกิดความสูงความร่ำไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องการได้ไม่ได้ต้องการมีไม่ได้มีต้องการเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้ยั่วพลา็เกิดพลัดพลากเกิดสูญเสียอะไรเนี่ยก็เกิดความสูงความร่ำไร แ, แสดงว่าทั้งหมดมันเป็นอาการคนกิเลสแต่ทีนี้ถ้าจิตมันสงบได้จะสงบได้อย่างน้อยที่สุดระดับจิตสิกขาเนี่ยสงบได้ มันก็บรนเทาความสุกอะไรลงไปได้อย่างที่ท่านสอนให้พิจารณาตัวอย่างง่ายๆนะเช่นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บ่ายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บ่ายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพราดคลาดจากของรักของชอบใจทั uther, ้งหลายทั <zer ch |ar|> ้งปวงไปทีนี้ถ้าเราเตรียมใจเอาไว้เนี่ยนะว่าเราจะต้องคราดลาด ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปใจมันรู้เท่าทันนะกํากับใจพอมาเกิดพลาดพลาดกันบอกเอ้ามาพลาดพลาดวันนี้ต่อไปมันก็พลาดพลาพลาดพลาดซวันนี้ก็ดีเหมือนกันถือไม่ต้องไปวิตกกังวลมันมากไปอยื่ท่านเล่าถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวราปภพิษกรุงหลวงจินวรศริวัดนะฮะ คือท่านท่านไม่ค่อยเก็บอะไรแล้วใครถวายอะไรสนนมากท่านก็ให้คนอื่นไปมีเจ้านายก็เอาเครื่องจิรนยมาถวายห้ามไม่ให้คนอื่นแล้วก็ถวายฝากก็อึดอัดนะนะเล่นถวายฝากแล้วก็อึดอัดให้ก็ไม่ได้นะแล้วคืนก็ไม่ได้ด้วยนั้นก็วางไว้อย่างั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนทระไทยอะไร พอดีแมวมันไล่ตะคุบหนูกระทบแตกมาทั้งคู่เลยโดยที่จะเสียพระไถ่เนี่ยมันกลับดีพระไถ่คือมันหมดความกังวลความวิตกกังวลตามเดือดร้อนเป็นฝผงใยญ่กลัวของจะหายกลัวของจะแตกอะไรแต่ไรเนี่ยนะว่าของมันไม่ถวายโดยตรงแต่ว่าถวายแบบฝากทีนี้มันแตกเลยมันสัตว์มันทําแตกกันไม่ใช่คนทําแตก แล้วก็จบสิ้นกันนั่นแน่ๆตรงนี้ที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันมุ่งไปที่ลดกิเลสทั้งหมดก็จะเรียกชื่อยังไงก็ได้เพื่ออัศดงดับไปแห่งทุกข์และโทมานัตความทุกข์เนี่ยความทุกข์กับความโทมนัตถ้าเข้ามาด้วยกันนะถ้าคู่กันเนี่ยทุกหมายถึงทุกกายนะโทมานัตหมายถึงทุกใจความการะตุ้นความวิตกกังวลความเบื่ออาดขัดข้องความโทมนัตเสียใจต่งตางๆเนี่ยก็เรียกว่าโทมานัต แต่ทุกเามาเดียวๆนะทุกเข้ามาเดียวๆก็หมายถึงทั้งทุกกายทุกใจนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสังเกตว่าคุยกอบของธรรมะเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอยู่ตรงนี้หมายความว่ายังไงคือภาษาเนี่ยมันจะไม่มากพอต่อการที่จะสะท้อนลักษณะอาการของธรรมะได้ คือภาษาเนี่ย ม, มันมันมันจํากัดนะะแต่สภาวะทางจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ความรู้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนต่างกันเยอะเลยความจํานี่มันก็ต่างเยอะทํำยังไงถึงจะใช้สื่อได้หมดอ่ะแล้วก็สื่อไม่ได้สื่อไม่ได้หมดคือภาษามันต้องบัญญัติขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันไม่มีชื่อก็ต้องบัญญัติภาษากันมาเรียก เรียตามเลยตามอาการของเขาที่ปรากฏเกิดจิตเนี่ที่ทําปฏิกิยาต่อจิตเนั้นพวกนี้ก็ที่จริงก็เป็นอาการของกิเลสนะฮะออกมาเป็นความทุกข์เพราะงั้นเนื้อหาสาระในมาสติปฐานก็คือการที่จะทําให้เกิดความวิสุทธ์ขึ้นมาแล้วเมื่อความวิสุทธ์มันเกิดแล้วพวกนี้มก็ดับนันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเหมือนกับความเย็นเกิดขึ้นความร้อนก็หายไปนั่นเองท้อคขัดขึ้นไร